บารมีอะไรเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของนักปฏิบัติเหมือนกันชอบคิดว่าตัวเองบุญไม่พอบารมีไม่พอบุญบารมีเนี่ยสร้างกันตอนนี้ถ้ารู้สึกเองคิดเองเออเองว่าไม่พอถ้ารู้อย่างนี้ก็รีบสร้างวิธีการสร้างก็คืออะไรก็คือรู้สึกตัวพ้นจากโลกของความคิดไม่ตามความคิดไปแล้วก็เห็นความเป็นปกตินี้อยู่บ่อยๆ อันนี้แหลกําลังสร้างบา ร, รมีกําลังสร้างบุญสร้างบา ร, รมีสร้างทางแห่งอริยมรรคอยู่ถ้าเรามัวแต่ตัดพาะว่าเราบุญบา ร, รมีน้อยเราอะไรเงี้ยมันไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากตัดกําลังใจตัวเองความเชื่อในแบบที่คนจะคิดว่าตัวเองคงไม่ถึงหรอกในชาตินี้บุญบา ร, รมีไม่พอต้องอีกหลายชาติต้องเกิดอีกหลายชาติผมอยากจะบอกว่านี่เป็นแค่ความเชื่อ เราไม่ต้องเชื่อแบบนั้นคนเขาบอกว่าต้องเกิดเป็นอีกหลายชาติเป็นกลับกับอะไรพวกเนี้ยว่าจะบรรลุได้อะไรเงี้ยคือผมยกตัวอย่างนี้ว่าภพชาติของเราเนี่ยมันไม่ใช่ภพชาติที่เราว่าเกิดมาแล้วตายจากบกภพมนุษย์นี่ไม่ใช่แบบนั้นภพชาติมีหมายความว่าจิตเนี่ยเกิดดับเนี่ยวงจรปฏิจจะเนี่ยหมุนไม่รู้กี่ครั้งแล้ว ในหนึ่งวินาทีเนี่ยอวิชาปรุงสังขารปรุงวิญญาณปรุงจนครบรอบมันนะจนทุกข์อ่ะเราทุกข์มาเราเสียน้ําตามาเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเราไม่รู้ว่าวงจรปฏิจจบุญไปไม่รู้กี่ล้านล้านชาติแล้วอันนี้แหละชาติที่แท้จริงแต่คนคนหนึ่งเนี่ยจะบรรลุธรรมขึ้นมาได้เนี่ยธรรมชาติมันไม่โหดร้ายกับเราขนาดนะั้น ปฏิจจามุนมาไม่รู้กี่ล้านล้านชาติแล้วเนี่ยแต่ถ้าในภพภูมิที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยในภพภูมิที่สมบูรณ์ที่สุด ค, คือความเป็นมนุษย์เนี่ยเราฝึกจิตฝึกใจเนี่ยเปิดเส้นทางใหม่คือเส้นทางของอริยามรรคเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเหมือนเรามีถุงน่องนอาจจะดูเป็นเหมือนโจร น, นิดหนึ่งนะเรามีถุงถุงน่องสีดําที่ โจรมันชอบเอามาคลุมหัวเวลาไปป้นแบงค์ใช่ไหมปนธนาคารใช่ไหมแล้วเราก็เอามือเนี่ยแหวกถุงน่องเนี่ยออกอะ่ะเราจะฉีกให้มันขาดนึกออกไหมเราค่อยๆฉีกมันฉีกมันฉีกมันเนี่ยสมมติว่าเราฉีกไปมันขาดนิดนึงแล้วสมมตุติแล้วเราก็หยุดฉีกเนี่ยถุงน่องนี้มันก็จะมันจะยืดหยุน่นจะมาเฟสซิเบลเลยมันก็กลับมาคลุมหัวได้เหมือนเดิมใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว่า สังโยชน์มันไม่ขาดสะ บ, บัน้นใช่ไหมมันยังไม่ขาดหมดมันเลยยังมาคลุมได้อยู่มันเริงเหลือส่วนที่เป็นเฟกซิบิลคลุมเราได้อยู่แต่พอวันหนึ่งที่เราชีกชีกช ช, ช, ชจนมันเ้าเรียกว่าขาดสะ บ, บัน้นใช่ไหมพอมันขาดสะ บ, บัน้นมันแหวกออกแล้วเนี่ยถามว่าถูกน่องนั้นจะกลับคืนมาคุมหัวเราเหมือนเดิมไม่ได้แล้วใช่ไหมคือเรามีหน้าที่เนี่ย ฉีกมันคือแวกแวกแวกแวกคือเรามีหน้าที่เปิดทางใหม่เนี่ยออกมาเปิดทางแห่งอริยมรรคเนี่ยออกมาเปิดทางที่จะออกสั่งสรารวัตเนี่ยเ้าเรียกว่า k e คีบโกยิง e ีบวอลกิงใช่ไหมก็คือที่ผมบอกให้มันต่อเนื่องแวกให้มันต่อเนื่องเรื่อย ๆ, ๆ, ๆจนวันหนึ่งเนี่ยมันขาดสะบันออกจากกันเนี่ยมันก็จบมันก็สั่งสรารวัตรก็พังทลายลงก็เหมือนกับถุงน้องที่ ไม่เฟลซิเบิลแล้วมันกลับมาคืนรูปเดิมไม่ได้แล้วเนี่ยเรามีหน้าที่แบบนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เกี่ยวกับบุญบรารมีในชาติก่อนที่เราที่เราเชื่อกัน ว, ว่าต้องมีบุญบรารมีเยอะอะไรเงี้ยบุญบรารมีก็คือการแหวกันนี่แหละให้มันต่อเนื่องรีบๆไม่คิดเกียรติมีสันทะทําให้มันต่อเนื่องนี่แหละบุญบรารมีที่จะแหวกทําลายอาซวาคิเลยได้ไม่ใช่เรื่องของ บุญบารมีที่ตัวเองเคยสะสมมาตั้งแต่ชาติก่อนเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเรื่องจริงหรือเปล่าที่เขาพูดแบบนั้นแต่สิ่งที่เป็นจริงคือตอนนี้ตอนนี้คือเราแหวกมันตั้งแต่ตอนนี้นี่คือเรื่องจริงนี่คือสิ่งที่เราเห็นได้จริงว่าถ้าเราแหวกตั้งแต่วินาทีนี้เราไม่ถูกแล้วแต่เราโมวแต่เชื่อเรื่องเรื่องความเชื่อเราไปเชื่อคําที่เขาพูดพูดกันซึ่งเราไม่รู้ด้วยว่ามันจริงหรือไม่จริงเพราะถ้าเราไม่รู้มันจริงหรือไม่จริงเราไม่ต้องเชื่อ พระโสดาบันนี่ไม่เชื่ออะไรก็ตามที่ไม่ใช่ทางผลถูกไม่เชื่อแล้วพระโสดาบันนี่จะเห็นสัจธรรมแล้วจะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างว่าความจริงคืออะไรความเชื่อทั้งหลายทั้งปวงที่เคยเชื่อเนี่ยมันหมดแล้วมันไม่มันไม่มีแล้วมันมันไม่มีหลงเชื่ออะไรหรือว่าติดกับความเชื่ออะไรที่เราเคยติดอยู่เนี่ยมันไม่มีมันจะไม่เชื่ออะไรที่มัน มันเหมือนสยายศาสตร์มันไม่เชื่ อ, อเพราะมันเห็นความจริงแล้วว่าความจริงคืออะไรมันจะไม่กลัวไอความเชื่อที่เขาว่าไม่เชื่ออย่าลบลู่อะไรนี้ไม่มีแบบนั้นเพราะในศา ส, สนาพุทธเป็นศาสนาถึงบอกว่าเป็นศาสนาของปัญญาไม่ใช่ศาสนาของความเชื่อที่ผมเคยพูดบ่อยๆว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าสอนให้เราลงมือทา แล้วประสบการณ์ที่ตัวเองได้พบนั่นแหละจะเป็นตัวยืนยันว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยนจริงหรือเปล่าเราจะเชื่อด้วยความที่เราได้ลงมือทรแล้วก็ประสบการณ์ตรงกับตัวเองแค่นั้นเราไม่ได้เชื่อเพราะว่าเราฟังเข้ามาเราต้องเข้าใจว่าเรากำลังจะเข้าถึงสุดท้ายของสิ่งที่เรียกว่าเหนือโลกสิ่งที่เหนือโลกคือเหนืออะไร เหนือสิ่งเกิดดับเรากําลังไปสู่สิ่งที่เหนือโลกก็คือเหนือสิ่งพวกนี้มันเหนือการเกิดดับมันก็คือมันไม่เกิดมันไม่ดับเรามีหน้าที่จะรู้จักความไม่เกิดไม่ดับไม่ใช่ไปรู้จักสิ่งที่มันเกิดดับสิ่งที่มันเกิดดับอันนี้เป็นสิ่งในโลกผมเปรียบเทียบใช่ไหมว่าสิ่งในโลกคือความมืดสมมุติผมบอกว่าผมจะอธิบายสิ่งในโลกทั้งหมดว่ามันเป็นยังไง มันเป็นปฏิจจสมปปบาทนะรู้ไหมพวกเราทุกทุกวันเนี่ยเพราะเรามีอวิชชาแล้วก็มีสังขารแล้วก็ไ ล, ล่ปลุบปบปุบ ป, ป, ปไปแบบนี้นะเราเลยต้องทุกข์รู้ไหมอันนี้ผมอธิบายว่าทุกสิ่งเนี่ยอย่าไปหลงมันเลยเพราะทุกสิ่งนี้มันอยู่ภายใต้กฎตายรับมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปทนอยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้ควบคุมบังคับไม่ได้มันไม่มีตัวตนไม่มีคนไม่มีใครให้เข้าใจแบบนี้ จะได้ปล่อยวางใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขได้ในโลกคนเราฟังแล้วก็เข้าใจอื้อใช่ใช่ความทุกข์เป็นแบบนี้อ๋อแล้วใช่มันเกิดขึ้นเพราะอาวิชชาสังขารจนเป็นทุกข์จนผมจบคำสอนแค่นี้ผมถามว่ายังทุกข์อยู่ทุกคนก็ยังทุกข์เหมือนเดิมถูกไหมแต่ถ้าวันหนึง่งไม่ต้องพูดเรื่องพวกนี้เลยผมไม่ต้องพูดเรื่องของความมืดเลยแต่ผมบอกว่าโอเคไปรู้จัก สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับสิ่งที่มีอยู่แล้วสิ่งนั้นคือความเป็นปกติสิ่งนั้นเป็นนิพพานชิมลองถ้าเปรียบเทียบคือผมบอกว่าห้องนี้นะถ้าเข้าไปยังมองอะไรไม่เห็นนะแต่เดี๋ยวพอเปิดประตูปุ๊บคลำ ม, มือไปทางกำแพงนะด้านซ้ายจะเจออะไรนูนนูนขึ้นมาให้กดมันลงไปเดี๋ยวห้องจะสว่างขึ้นเลยผมถามว่าถ้าคนทาตามอย่างนี้ ใจิตใจของเขาก็สว่างขึ้นมาเลยใช่ไหมเขาสามารถเข้าไปอยู่ในห้องได้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้โดยชัดเจนใช่ไหมแล้วผมถามว่าผมต้องไปอธิบายไหมว่าความมืดคืออะไรไม่ต้องเขาไม่ต้องรู้เลยว่าความมืดคืออะไรเพราะใจิตใจเขาเต็มไปด้วยความสว่างแล้วความมืดมันไม่มีแล้วไม่รู้จะไปอธิบายทําไมให้เมื่อยจะอธิบายทําไมให้มันเขาปวดหัวในเมื่อวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งที่เขามีความสว่างบริบูรณ์ร0อซแล้วะ โอกาสใความมืดมันไม่มีอีกแล้วถึงเขาจะเข้าใจก็ไม่มีประโยชน์เลยเพราะมันไม่มีอีกแล้วจะเข้าใจสิ่งที่ไม่มีทําไมมันจําเป็นสําหรับอธิบายให้คนที่ไม่ยอมที่จะเดินมาทางนี้อธิบายให้เขาเห็นภาพว่าเขากําลังทุกอยู่นะอธิบายให้เขาเห็นภาพว่าควรจะมาทางนี้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเขายังอยู่ในความมืดอยู่เราเลยต้องใช้ความมืดอธิบายให้เขาฟังก็าถึงจะเข้าใจ แต่ถ้าในความเป็นจริงแล้วคนที่สมมุติว่ามีศรัทธามหาศาลเจอคนนี้ยอมเชื่อเลยจะทําตามทุกอย่างไม่ต้องไปเล่าเรื่องความมืดเลยจะบอกให้เดินไปเปิดไฟทุกอย่างจะจบอันนี้แหละเซนเซนนี่เป็นคําอธิบายน้อยมากมช่ไหมไม่ได้มีคําสอนมากมายเยิ่นเย้ออันนี้ลูกศิษย์ก็โอเคอันนี้เป็นครูบาอาจารย์จะ สั่งอะไรจะทําหมดครูบาจาย์เขสั่งเปิดไฟอย่างเดียวทุกคนก็โพร่งโพ่งโพร่งโพร่ ง, รงในขณะที่โพร่งถามว่าจริงๆแล้วนะเข้าใจไหมความมืดเข้าใจแต่มันจะไม่เข้าใจก็ยังอศาศาัยอยู่ในโลกอันนี้เห็นตัวอย่างเยอะแยะอันนี้เหมือนกับหลวงพ่อชามีคนเคยพูดกับหลวงพ่อชาว่าหลวงพ่อไม่เข้าใจหรอกว่าความสุขในโลกอะเช่นเรื่องกามเรื่องเซ็กซ์เนี่ยเป็นยังไงหลวงพ่อไม่เข้าใจหลวงพ่อปวดตั้งแต่เด็ก ไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นหลวงพ่อไม่รู้หรอกว่าโหในโลกเนี่ยมันมีความสุขขนาดไหนหลวงพ่อไม่รู้หรอกถ้าเปรียบเทียบเขาเขาต้างจะบอกว่าหลวงพ่อชาไม่รู้จากความมืดหรอกว่ามันดีขนาดไหนว่ามันน่าหลงไหลหน่าติดน่าเอาขนาดไหนเพราะตัวเองไม่เคยลองจะรู้ได้ยังไงหลวงพ่อชาบอกอหลวงพ่อก็ไม่เคยลองหรอกแต่หลวงพ่อเนี่ยเห็นไอ้ด่างสองตัวนั้นบ่อยๆก็เข้าใจได้ว่า <laughs> มันเป็นยังไง ลักษณะไม่ต้องลองเองก็รู้ว่าไอ้ที่ชอบชอบันอยู่ไม่ต่างกับม้าสองตัวถามว่าหลวงพ่อช้าไม่ไม่เคยต้องไปลคลุกเคลียความมืดแต่ถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจแต่อาจจะไม่เข้าใจอันนี้ง่ายๆมีตัวอย่างให้ดูก็เข้าใจแล้วก็ถ้าง่วงอันนี้ก็ต้องฝึกที่จะต้องลุกขึ้นไปเดินไปขยับเนื้อขยับตัวให้มันล้างหน้าหรืออะไรก็ได้ให้มันตื่นขึ้นมา อย่าไปทนอย่าไปทนง่วงอย่าไปทนอะไรเปลี่ยนอิริยาบถให้มันตื่นตัวขึ้นมาเพราะเรากำลังฝึกธรรมชาติของจิตให้รู้จักความตื่นตัวไม่ใช่ฝึกธรรมชาติของจิตให้อดทนต่อความหลงหรือว่าอดทนต่อนิวรันไม่ใช่แบบนั้นเมื่อไหร่ที่จิตนี้มันตื่นตัวขึ้นมาได้เนี่ยนิงรันมันไม่มีเราต้องไปสู้มันที่ผมบอกเมื่อกี้จะมอธิบายยังเป็นเรื่องความมือใช่ไหมเมื่อไหร่ที่มันสว่างขึ้นมาเนี่ยไม่มีอะไรให้เราสู้เราสู้วันนี้ก็ไม่ไม่ได้มีประโยชน์อะไร เพราะในที่สุดมันไม่มีให้เราสู้เลยเราจะฝึกสู้มันทาไมที่เราต้องฝึกคือฝึกให้มันตื่นขึ้นมาไม่ได้ฝึกจะสู้กับมันการตื่นอย่างสมบูรณ์นั้นไม่มีอะไรให้สู้เราจะซ้อมสู้มันทำไมไม่ต้องซ้อมใช้ประสบการณ์ตรงของตัวเองรู้จักเองพอบารารู้จักเองเราจะตอบตัวเองได้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เราเห็นเองดิใช่ไหมเราไม่ต้องเชื่อใครไม่ต้องฟังใครดีแล้ว